ความเคารพและแสดงความนับถือแด่ท่านพระมหาเทรารเทระสิบเก่าผู้บริหารคณอาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตฝ่ายบัณชิตทุกครขอเจริญพรสิบเก่า ผู้บริหารครูบาอาจารย์นิสิตเจ้าหน้าที่และนิสิตฝ่ายใครขับทุกท่านวันนี้เป็นวันแห่งความเป็นติยินดีของพวกเราทุกรูปทุกคนเพราะได้เวียนมาพบปะ ก, กัน เป็นสภาของบัณฑิตเป็นที่ประชุมของกัลยาณมิตรปลารกวันคล้ายวันเปิดการศึกษาครั้งแรกวันแรกของมหาจุฬาในยุคมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ สิบแปดกรกฎาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบมาถึงวันนี้ก็เจ็ดสิบปีที่น่าดีใจก็คือวันนี้เป็นวันอนุสรในสมัยก่อนเรียกว่าวันอนุสรของมหาจุฬาจัดกันที่ลาระสุกหลายท่าน ตอนเป็นลิสิตก็เป็นผู้จัดบ้างไปร่วม ก, กิจกรรมบ้างเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ก็ปรับมาอยู่ในห้องจัดในห้องประชุมในชื่อว่าวันบุรภาจาย์โดยการปรารฏของท่านสัสราจารย์พิเศษจันนนท์ทองเสริรซึ่งเป็น พุทธศาสตร์สันรุ่นแรงปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเราท่านประสงค์ให้สิทเก่าสิิใหม่คงความมีกระตันยูกระตเวทที่ตาามเอาไว้ให้พิเศษจากสถาบันการศึกษาลื่น จึงได้เป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยกับสมาคมสิทธิเก่าได้จัดกิจกรรมวันโบราจา์ขึ้นที่น่าดีใจก็คือว่าทางสมาคมสิทธิเก่าได้ประสานให้สิทธิเก่าซึ่งแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตาม ส่วต่างๆของประเทศและของโลกในกัรคืนสู่เย่าในแต่ละปีให้เกียรติมารับรางวัลสิทธิ์เก่าเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่นอย่างที่ปีนี้ท่านทั้งหลายก็ให้เกียรติมาหาธิไลัยทั้งฝ่ายบัณฑินและทหารสิทธิ์เก่าทั้งหลายถือว่ามาให้กําลังใจพวกเรา ยุปในรุ่นปัจจุบันและท่านรองรธิการดีฝ่ายบริหารท่านจะคุนพระวรเมธีพร้อมคณะได้ทำให้วันมูรพาจาร์ปีนี้มีสีสันพิเศษเพราะว่าอาวันที่สิบแปดกรกฎาคม เป็นวัน KM Day Knowledge Management Day วันจัดการความรู้ชักชวนส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ40กว่าจังหวัดมาร่วมแสดงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาก็ทำให้งานมีสีสัน แล้วก็คึกคักมีนิทรรศการอยู่ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เชื่อว่าปีต่ตอๆไปก็ต้องทำเช่นเดียวกันเรื่องของ KMD นั้นแต่เดิมเราเน้นในด้านวิชาการเป็นหลักแล้วก็มกักจะปารก อ, อาวันประสาปริญญามีสันาทางวิชาการ มีพิมพ์ผลงานในรอบปีของผู้บริหารคณาจาย์เรียกว่าสา ร, รานิพนธ์พุทธศาสตร์บดิ์แต่ปีนี้ปารบพิเศษ70ปีมหาวิทยาลัยมหาจราบุตรของไย่ไัยในระดับอุดมศึกษาซึ่งเรเรียกกันว่า70ปีอุดมศึกษาระดับแต่ไม่ใช่70ปีของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพราะมหาจุลานั้นท้านับมาตั้งแต่ปีสถาปนาก็ต้องบวกไปอีกจากเจ็ดสิบปีนี่บวกไปอีกหกสิบปีตั้งแต่สอง0ันสี่รอสามสิบมาจนถึงสอง0ันสี่อเก้าสิบ ก่อนที่เราจะเปิดอุดมศึกษาก็เป็นช่วงต้นครึ่งครึ่งชีวิตแรกของวจรอทั้งในานามมหาาวิทยาลัยบวกมหาจุทาลั ก, กรราชวิทยาลัย3 2,430 มาถึง 2,496 0 0ปี เป็นอายุช่วงต้นของมอจลแล้วช่วงเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับดมศึกษาอีก70ปีรวมแล้วปีนี้มามอจาอมีอายุ110ปีเพราะฉะนั้นเวลาทำเอกส า, าโรโปรดระวังแค่ว่า70ปีมจลนี่เขาจะนึกว่าเราทพิงตั้ง เพราะฉะนั้นปารกไว้ก่อนเราเป็นบรรจิตสิปีอุดมศึกษาแต่ร้อยสิบปีมหาจุฬาท่านทั้งหลายก็คงเห็นด้วยตามนี้เพราะฉะนั้นเวลาทำเอกาสารปกหนังสืออะไรก็ตามปีนี้น่าจะพูดถึงร้อยสิบปีมหาจุฬาและเจ็ดสิปีอุดมศึกษา ในฝ่ายวิชาการที่ขออนุมัติจัด ง, งาน70ปีอบรมศึกษาโปรดเข้าใจอย่างไงด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทีนี้มาถึง70ปีอุรมมาศึกษานั้นก็หมายความว่าเราได้สะสมภูมิปัญญาของเรานับแต่เปิดการศึกษา ในร ะ, ะดับกระรศึกษามาปัจจุบันเนี่ย70ปีภูมิปัญญาขององค์กรสะท้อนตกผลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจะสะท้อนอยู่ตามสาขาต่างๆทั้งวิทยาเขตวิทยาลายัยห้องเรียนหน่วยยั่วิทยาบริการและสถาบันสมทบ แล้วท่านก็นำปอะมาแสดงวันนี้ว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรกันบ้างที่เป็นภูมิปัญญาของเราเนื่องจากว่าฝ่ายจัดงานนี่เป็นโฆษณาทั่วหมดอธิการบดีจาบากกระถาก็สงสัยว่า เวลาแค่นี้จะปาตระถาได้อย่างไรท่านรอบริหารก็บอกให้สัมมูทะริยกถาสัมมูทะริยกถามันก็ไม่ได้อะไรอีกก็เลยเล่าอะไรให้ฝังดีกว่าให้เข้ากันงานะงานนี้นอกจากเป็นเรื่องของบุรพ ajan าาบุรภะปัญญา อามารวมกันเนี่ยยังเป็นเรื่องของการจัดการความรู้คือจัดการบูรพะปัญญาที่ผ่านมาก็จะถือโอกาสนี้พูดเรื่องเคเมเป็นการสื่อสารเพื่อร่วมงนานซึ่งมาจากสาขาต่างๆว่าทำไมต้องเ m เม ทำไมต้องมี knowledge management หรือจะเรียกว่า wisdom management W.M ก็ได้การจัดการความรู้ถ้าท่านไปเดินดูป้ายในสถาการจะสะท้อนตรงนี้เยอะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่มีความรู้ความ <c oughs> สามารถเป็นปัจเจกกับปัญญาเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณอักษรเป็นเสียงเป็นภาพให้คนอื่นสามารถเข้าถึงให้เป็นสาธารณปัญญาจะปัจจัตตังเนี่ย ป, ประสบการณ์เย่าะอตอนเนี่ย ป้องกันไม่ให้มันสูญหายไปพร้อมกับผู้รู้ท่านั้นเราก็จะต้องมามาผลิตมารวบรวมและมาผลิตเป็นหนังสือเป็นซีดีหรือในรูปแบบไอทีให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้และสามารถเรียนรู้ เอาไปใช้เอาไปต่อยอดได้ไม่ใช่รู้อยู่คนเดียวหรือห น, หน่วยงานเดียวแล้วพอผู้รู้หรือหน่วยงานนั้นขาดตอนไม่ต่อเนื่องมันหายไปอันนี้ก็บ่งบอกถึงเป้าหมายของวันบรูรพาจารย์ด้วยคือความกตัญญูรู้อุปการะที่ท่านได้ทําไปแล้ว บุรพาจารย์เราสั่งสม เ, เราสร้างสรรและสั่งสมภูมิปัญญาอันใดมาท่านถ่ายทอดมาถึงรุ่นเลัเราก็รักษาและพัฒนาต่อมันก็จะเพิ่มภูยิยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำการจัดการองความรู้ในอดีต ส่งเพื่อส่งทอดไปสู่อนาคตเนี่ยมันก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของวันบูรพาจารย์คือวันแห่งความกักตันยูรู้คุณว่าท่านได้ทำอะไรในเชิงสร้างภูมิปัญญาและส่งไม้ต่อมาถึงเราและกระตะเวทีประกาศอุปการะคุณนั้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่รุ่นเราและรุ่นต่ อ, ตอไปจึงขอชื่นชมในฝ่ายจัด ง, งานที่พนวง ทั้งบุรพ า, ารย์บุรพาปัญญาและเคเอมเข้าดดวกกันและอยากจะให้รักษาเป็นระเบียรวมถึงเชิญสิทธิ์เก่ากลับมาสูา่เย้ามอบรางวัลแก่ปัจจุบันสิทิ์ปัจจุบันหรือผู้บริหารคููบาจาจารย์ที่ประสบความสำเร็จเพราะ การได้เหรียญทองกีฬาก็ดีเหรียญอื่นใดก็ตามเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยและเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ไปแข่งขันประกาศชื่อเสียงของเราเมื่อเขาประสบความสำเร็จเป็นหน้าเป็นตาเขาก็อยากให้เรารับรู้เราชื่นชมเรายกย่อง คำว่าเราคือทั้งสิทธ์เก่าสิทธ์ใหม่ในมหาสมาคมนี้สิทธ์เก่าไปประสบความสเร็จที่ได้มาเราก็ประกาศเกียรติคุณคนอื่นยกย่องยังไม่สำคัญที่พวกกันเองยกย่องได้รักกันยกย่องนอกบ้านยังไม่สำคัญเท่ากับในบ้าน ท่านไปมีชื่อเสียงอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดไม่เท่ากับครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องของเรามาชื่นชมมาหาจาหราคือครอบครัวของท่านทั้งหลายเมื่อท่านไปได้ดีประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ใดตา่างกลับมาที่นี่กาลยาณมิตรที่นี่ให้การยกย่องให้การสนับสนุน ก็เป็นดังคำของฟรานซิสเบคอนที่บอกว่าการระยานิมิตเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าลดความเศร้าหรือครึ่งเดียวไปได้เหรียญได้อะไรมาแต่คนในมหาจุฬาไม่สนใจต่อให้คนที่อื่นยกย่องมันก็สู้ที่นี่ไม่ได้ ท่านไปได้ทุงวันที่ไหนยกย่องที่ไหนมามันไม่อบอุ่นไม่ดีใจเท่ากับคนกับเองยกย่องอันนี้มันเป็นหลักที่ไหนก็ทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้และในบ้านนี่แหละยกย่องยากกว่านอกบ้านเพราะมันเห็นกันมาตัแต่เด็กแ้่แต่เป็นนิสิตมันอดสงสัยไม่ได้ ไอตอนเรียนเรียนมันก็เห็นทึ่มทึ่ท อ, อทำไมไปโด่งดังประสบความสำเร็จ ท, ที่นู่นที่นี่อยู่ข้างในก็งั้นงั้นแหละทาไมไปได้เหรียญคนข้างในนี่แหละมันจะตั้งข้อสงสัยยากที่จะยอมรับยากที่จะได้รางวัลจากคนข้างในมันเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่กลับกับบิลพัฒน์ทันดีขณะกลับไปแล้วนะเจ้าสาักยะ ย, ยังไม่เคารพเลยอเอาแต่เด็กๆมาไหว้น บ, บีมหมาไปโรงดังที่ไหนก็นตามแต่กว่าจะกลับ มาเมืองที่ตัวเองกำเนิดยากเย็นแสนเข็นและส่วนมากพวกเรามาจากรอให้โด่งดังไปทั่วหมดแล้วค่อยมายกย่องมาหาเจุ า, าไม่ควรเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาสิบเก่าได้เป็นจบคุณเป็นอะไรต่างๆออกมาในมนุษย เป็นสมเด็จกับเข้าไปนับยากไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำตั้งแต่ต้นนี่คือสิ่งที่มหาจุฬาสร้างวัฒนธรรมประเพณีออกมาเมื่อ <het> <ille> เราได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปัจเจกมาทำให้เป็นสาธารณนะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จัดเก็บเผยแพร่ทั้งในรูปเอกสารไทยทีอะไรต่างๆ เราก็ไม่ต้องเริ่มใหม่เรื่องนี้วิทยาเขตนี้ทําไว้แล้ววิทยาอะไรสงนี้ทําไว้วิทยาอะไรสงหรือวิทยาเขดืเรียนรู้ได้เอามาพัฒนาเมื่อแรกเรียนเรียนรู้กันมากขึ้นมหาจุฬาก็กลายเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้เพิ่มพูนตลอดเวลาเหมือนจอบหลวงเราเรียกองค์กรอย่างนี้ว่า Learning Organization Learning Organization เนี่ยเป็นองค์กรที่ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นหรือกันระหว่างกันแล้วทำให้เกิดการปรับตัวตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งถ้าอยู่นิ่งเมื่อไหร่ก็คือ เรื่องถอยเพราะฉะนั้นมหาจุลายิ่งเป็นองคอ์กรใหญ่กับแทนที่จะเถละและมาทวงกันเนี่ยโดยอาศัยเคเอ็มนี่แหละทำให้ย่นเวลาในการทำงานสัซ้อนแบ่งเรื่องกันทำตรงคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำอันนั้น เป็นเลิศ ด, ด้านนั้นอยู่ที่นี่เป็นเลิศ ด, ด้านนี้อยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วเส็จแล้วคนที่อื่นๆก็มาเรียนรู้กันเนี่ยมันจะไม่อุ้ยอ้ายไม่กลายเป็นไดโนเสา่์ที่สูงพันยิ่งองค์กรของเราเป็นมหาวิลลยที่มีสาขา ม, มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องทำเคมและ เรียนรู้จากกันแลกเลนจะพัฒนาตลอดเวลาและไปได้เร็วกว่าที่อื่นด้วยถ้าสามารถคีกันไม่แก่งแย่งกันไม่ซ้ำซ้อนกันคำตอบคือเคม knowledge management ทุกคนมีส่วนช่วยให้ภูมิปัญญานี้เกิดขึ้น คำถามคือทำเรื่องอะไรที่ผู้ระบุรภัณปัญญานี่หยเนื่องจากเวลาจำกัดต่อไปนี้จะพูดสั้นๆในทุกเรื่องมันปัญญานี่มันต่างจากโนเลจใช k n ห w l นเล e ความรู้คือสูตต่ำความรู้โ e เล e นี่คือสูตต่ ภาษาบาลีเรียกว่าพาหุสัจมีความรู้มากโนเลช g e a b l e ไม่ใช่ปัญญาแต่คนไทยนักจะแปลปัญญาว่าความรู้ซึ่งผิดจากลา่าสัตว์คนที่รู้มากไม่ใช่มหาปัญญามีปัญญามากเขาเรียกพระอูสุโตโตมีสุตตา ม, มาก พระหุสัจากความรู้มากพรหุสุตากคนที่มีความรู้มากเป็นเอนไซโครเปเดียเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นพลังไรบิดกเคลื่อนที่และมันต่างจากผู้มีปัญญามากอย่างไรโดยสรุปภาษาอังกฤษก็แยกเป็นสองคำ knowledge กับ wisdom ปัญญาเป็น wisdom สูตักเป็น knowledge เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาพูดถึงการจัด ก, การความรู้การจัด ก, การปัญญาอย่าไปสับสนและอย่าทำให้สังคมซ้มเติมให้สับสนยิ่งขึ้นมหาจุฬาต้องเป็นผู้นำด้านปัญญาแต่อย่าหยุดคำว่าปัญญาแค่ความรู้ซึ่งเป็น knowledge ในเวลาจำกัดขอพูดสัส้นๆไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณดดิตยสถานท่านก็จะเห็นคำยาวเลยคำว่าความรู้เนี่ยสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล้วเรียนคน้นความประสบการณ์แต่ภาษาติดสั้นนิดเดียวเข้าใจง่ายกว่าในตัวความรู้สุต่านย สุตะคือฟัง่ใช่ไหมสมัยก่อนคือฟังสมัยนี้ก็อ่านอะไรต่างรวมอยู่ด้วยที่รับจากคนอื่นเราเรียกสิ่งที่เราเรียนรู้จากฟังมาจากคื่นว่าสุตะว่า information รับข้อมูลข่าวสารเมื่อเอาข้อมูลข่าวสารที่เราเรียนที่เราฟังมาบวกกับประสบการณ์ของเราแล้วเราย่อยเราคิดของเราเราปรับปรุงของเรา ฟังอาจารย์สอนเป็น i information นนำ Information ข่าวสารนั้นมาคิดมาปรุงเอาไปใช้ทำงาน To act upon นั่นคือความรู้บางคนเรียนแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยได้แต่ท่องจาเป็นสัญญาไม่ใช่สุตตะแต่ถ้าเอาสิ่งที่นั่งฟังอธิการบดีเนี่ยมาคิดบวกกับประสบการณ์ในอดีตมาปรุงมาแต่ง เอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เป็นวิชาการก็ไม่องใช้แต่เอาไปพูดไปเขียนได้หรือไปปฏิบัติได้มันเป็นความรูเร้เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาบาลีเอาไปใช้มันก็เป็นความรู้แล้วปัญญาอยู่ตรงไหนความตรงนี้นะบบราชบัณฑิตท่านให้คำนิยามว่าความรอบรู้ความรู้ทั่วความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิดเรียนเป็นสูต คิดเป็นจินตาความฉลาดไม่ใช่มาไม่ใช่ไม่ใช่สุตะเพราะมันเกิดจากสุตะความรอบรู้ความรู้ทั่วที่เกิดจากการเรียนการคิดเรียกว่าปัญญาที่จริงต้องมีคาว่าการปฏิบัติด้วยความรอบรู้ที่เกิดจากการเรียนเรียกว่าสุตตะมยยปัญญา ความรอบรู้ที่เกิดจากการคิดเรียกว่าจินตามายักษ์ปัญญาความรอบรู้จากประสบการณ์ตรงเรียกว่าภาวนาไมยักษ์ปัญญาภาษาอัพราะฉะนั้นตัวปัญญาจะเป็นความรู้รอบความรู้ลึกมากกว่าข้อมูล information รู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังภาษาเป็คือ ability to discern inner quality relationship insight ปัญญาสามารถจะเห็นความสัมพันธ์มีสองอย่างหนึ่งเห็นไปถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์ขึงนแก่นและสองเห็นความสัมพันธ์ของสรรพสิพ่ง น, นั่นคือปัญญาเพียงแต่ f a กตเพียงแต่อินฟอร์เมชันโดดๆไม่ใช่ปัญญาเอาข้อมูลมาตั้งไว้มาท่องมาอะไรอย่างหน่วยงานไหนก็ทำกัน มันเป็นโนเลจชีตต่างๆเนี่ยแต่ถ้าท่านมาสังเคราะห์ให้มันเชื่อมโยงเห็นความสัมผัญคอสซอลิตี้เหงหตุและผล e l a t i o n น h i p เราเรียกว่าปัญญาดังนั้นปฏิจจสมุปบาทคือการรู้รอบพพุทธเจา้าตรัสรู้อะไรปฏิจจสมุปบาทเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง ไอแซคนิวตันได้รับแอปเปิ้ลตกใส่หายิบขึ้นมามันเป็นแซกแอปเปิ้ลตกเอามากินเอามาขายมาเป็น k n o l e เล e ราคาเท่าไหร่แต่จากแอปเปิ้ลที่ตกมานี่ยโยไปถึงว่าทำไมมันตกมันเชื่อมโยกันเห็นปฏิจจสมวัตถ า, างวิทศาเรียกว่ากดแ่งแรงโน้มถ่วงเป็นปัญญาทางวิทยาสตร์ รู้ลึกไปถึงเบื้องหลังเหตุการณปรติการของสรรพสิ่งไมโครโฟนเป็นอะไรเป็นนิวตรอนิวตรอโปรตอนเป็นควอนตัมเป็นอ่านิจังทุกทางอะต่างเป็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ลึกรู้แล้วรักรู้แล้วหวังเป็นอินไซต์มองด้านไหนเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วนำเอาปฏิจจสมุปบาทเอาความรู้ลึกมาแอปพลายมาใช้เป็นอริยสัจเป็นการแก้ปัญหาชีวิตด้วยนวัตกรรม เพราะฉะนั้นคําสอนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยก็คือสรุปปฏิจจสมุปบาทไรรลักษเอามาเป็นเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาชีวิตแก้ความทุกข์อริยสัจจึงไม่มีในศาสนาใดแต่ก็มาจากปฏิจจสมุปบาทปริจจสมบาทก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดั บ, ดบเมื่อมีสมุทัยก็มีทุกข์เมื่อมีมรรคก็มีผลมันก็คือปฏิจจสมุปบาท แต่เอามาใช้แก้ปัญหาจริงๆคำถามคือองค์ความรู้ทั้งหลายที่เรามาแสดงเนี่ยมันแก้ปัญหามหาวิาลได้ไหมแก้ปัญหาจุดนี้ได้ที่หน่วยงานนี้ได้เอาไปแอปลายที่อื่นอย่างไรมันจะเข้าคำว่านวัตกรรม ท, ทันทีเริ่มจากความรู้รอบรู้ลึกมากกว่า n ิน r m ม t ช o น มาจากระบบมาเชื่อมโยงใช้มหาจุราได้ไปใช้มหาวิทยาลัยอื่นได้ใช้ได้ทั่วโลกเหมือนกฎวิทยศาศาสตร์ทั้งหลายอาริยศัสตร์เป็นนวัตรกรรมในการแก้ปัญหาชีวิตเอาไปแอพพลายในทั่วไปนั่นคือปัญญาและปัญญานั้นต้องเป็นสิ่งที่นำมาแก้ปัญหาที่เราตร น, นักประสบบูรภะปัญญามันอยู่ในอดีตของเก่า แต่เมื่อท่านนาของเก่ามาแก้ปัญหาในปัจจุบันมาพัฒนามาต่อยอดมันเป็นนวัตกรรมเป็นนิโนโเช่นเพราะฉะนั้นที่เรามารวมกัอยู่นี้เราไม่ได้หลงของเก่าและไม่ได้เมาของใหม่ปุรานังนันนาพินังไชย์ย่าหลงของเก่านัเวหันติมากุพเยย่าไปเมาของใหม่การเอาของเก่าของใหม่มาผสมผสาน เรียกว่านาวัตกรรมเริ่มของใหม่โดยไม่ดูของเก่าเราเรียกว่า i n v เว t ช o นประดิษฐกรรมมหาวิเลยไม่ได้เน้นประดิษฐกรรมเราไม่ได้ไม่ได้สร้างองค์ความรู้จากโดยไม่ดูทฤษฎีโดดเราไม่ได้ต่อเติมพุทธพจน์เข้าไปในทฤษฎีโดดเรารักษาทฤษฎีโดคอย่างที่เป็นองค์ความรู้ในพุทธศาสนา แต่เรามาแอพพลายประยุกต์เข้ากับศาสตรสมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหาสังคมโลกปัจจุบันมันจึงเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมหรืออินโนเวชันคือการนำสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วเช่นพัดใบโดหรือเทคโนโลยีใดๆกระตามองความรู้เดิมมาบูรณาการประสานจนเกิดองความรู้ใหม่วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาการสร้างผลผลิต หรือการบริการที่ดีกว่ามหาจุาจงแสวงหาอินโนเเราเแสวงหาอิโ Innovation. นโนเวนนวัตกรรมด้วยการมองไปดูสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราได้ค้นพบอยู่แล้วพระพุทธเจ้าได้ประทานมาแล้วแล้วเอามาเพิ่มเติมเสริมต่อให้มันมีริษมีเด่นนี่คือนวัตกรรม บางสำนักเข้าใจผิดว่านวัตรกรรมคือคือปริศ ธ, ธ์ตรร่ไปตีความพระพุทธพจน์ไปคบสูตรใหม่ๆอะไรใหม่ซึ่งมันไม่มีรากเง่าอยู่ในเข้าใจปีดกอันตรายหลงของใหม่เกินไปมหาจุฬาเ ย, ยินยนในยืนยันในคุณค่าของบุรพานัญญาของพระเจ้า ของพระอตการยาจารย์ดีกาจารย์รวมถึงคูบาอาจารย์บุรภาาจารย์ของเราแต่เราไม่ได้หยุดหยุดแค่นั้นเราบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่มันจะเกิดปรัชญาของมารจาในปี2550าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม เราไม่ได้บูรณาการเฉยๆเอามาแอพพลายเอามาใช้แก้ปัญหาบุคคลและสังคมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นนวตตัตกรรมสตีฟจอบเป็นนวัตกรอินโนเวเตอร์โทรศัพท์ก็มีก่อนเขา กล้องก็มีอยู่แล้วคอมพิวเตอร์ก็มีแล้วอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้ ว, เ, เ, ลวเทปก็มีอยู่แล้วอะไรแล้วก็มีแล้วเอามารวมกันเป็นเหลือย่นิดเดียวไอ o n e ในมือ iPad. IPad. ท่าน iPad iMac ทำหน้าที่เยอะแยะ i p ไอพอบรรจุเพลงได้ั้งหนึ่งพันเพลงนวัตกรดฉะนั้นถ้าเรามีมหาวิทยาลัยเพื่ออะไรเพื่อ ผลิตนวัตรกรโลกไม่ได้ย้ำที่อยู่ที่เดิมย้ำซ้ัๆเราต้องการภูมิปัญญาเดิมบวกบวกสิ่งใหม่แล้วแก้ปัญหาล่วมสมัยของเราบุรพศาจาร์ของเราได้มีนวัตรกรรมอะไรไวมากมายแต่เราไม่ได้พัฒนามันจึงล้าสมัยไปหลายเรื่องอย่างน่าเสียดายบทเรียนจากอดีตที่เราไปละทิ้งภูมิปัญญา ที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างนงวัตกรรมเอาไว้และเราไม่ได้มาขยายต่อมันตกยุคตกสมัยอย่างน่าเสียดายถ้าเราทำต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นมาจนัจจบันนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้นำเลยยกตัวอย่างง่ายๆในรอบ70ปีขึ้นมานี้เรามีคณะอยู่เท่าไหร่สี่คณะหนึ่งมัิตวิทยาลัย แต่ถ้าเราเราคงแต่มาเมื่อไม่กี่วันปี2556เราตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาไปดูการแสดงอยู่นั้นตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเนี่ยเริ่มใหม่เพราะมีอาเซียนคอมมูนิตี้ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้น แต่ถ้าเราย้อนไปดูประวัติมหาจุฬ า, าในปี2506มหาจุาลาได้ตั้งคณะหนึ่งขึ้นมาเป็นคณะที่ชื่อว่าคณะเอเชียอาคเนคณะเอเชียอาคเนตั้งหลังจากท่านอาจารย์จะลงไปจบมาจากเยลนี่และท่านจะจบด้านนี้แหละ และถ้าก็มาตั้งคณะนี้แหละแต่ท่านมแต่ปีต่อมาเราเปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษย์สัมพรสสารและเอเชียการคดีมันก็หายไปเลยถ้านลองคิดว่าถ้าเราได้รวโรวมองความรู้เกี่ยวกับเอเชียกันนี่คืออะไรคือเซาวีเซเชียคืออาเซียนนั่นแหละมาจนบัดนี้ตั้งแต่ 2,106 เนี่ย5 4ปี ศูนย์อาเซีนยนสื่อารนอนกินเลยเนี่ยก้าวหน้ายุโรปไทยทั้งหมดนวัตกรร ม, มตอนนั้นมนันนวัตกรรมแต่มันเกินสมัยไม่มีใครเอาพูดให้เสียดายเล่นนี่คือตัวอย่างทีนี้เรามาดูนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยที่อะไรที่เราสานต่อและอะไรที่มันตกรุ่นแล้วเราเก็บมาปัดฝุ่นหรือทิ้งไปก็วีคืออะไ ร, รามาพูดกัน แต่จะพูดในสี่เรื่องเพราะเวลาจำกัดมากผสมกันเปเลยว่าบภาพปัญญาที่เป็นนวัตกรรมนะที่ไม่ใช่ น, นวัตกรรมใน่พูดมันคืออะไรของของครูบาอาจารย์เราเวลาท่านพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยอินโนเวชันมันมีสี่อย่างนะหนึ่งคือ Product i n n น v a t ว o ันวัตกรรมด้านผลผลิตยกตัวอย่างพระไตรปิฎก ข, ของเรา นี่คือผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาจุฬาพระเจ้าปิฎกทั้งบาลีภาษาไทยหรือหลักสูตรที่เราคิดขึ้นนะ่เป็นของเราโดยเฉพาะเนี่ยที่มีเฉพาะในมหาจุฬาอย่างน้อยในประเทศไทยก็แล้วกันเช่นที่พูดก็คืออย่างพุทธทังจิตทิทยาชีวิตและความตาย นี่คือตัวอย่างหรือนวตัตกรรมในระดับปร ะ, ประการศนียบัตรที่เรานำเอามาช่วยคณะสงฆ์ไทยปปสประการศนียบัตรบริหารเหุการคณะสงฆ์เนี่ยทั่วประเทศเรียนหมดเลยนี่คือผลผลิตยังไม่รวมงานวิจัยอะไรต่างๆนะซึ่งจะไม่มีเวลาลงลึกแต่ข้อสอ process innovation เป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการนวัตกรรมด้านกระบวนการนั้นคือการนำเอาเทคโนโลยีมาย่นเวลาในการผลิตซึ่งตรงนี้เราไม่ประสบความสเร็จแต่เราได้สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไอทีทั่วประเทศทั่วโลกลงทุนไปหลายร้อยล้าน ถ้าเราได้ใช้รวมถึง MCU TV ด้วยถ้าเราได้ใช้เครือข่ายเหล่านี้มาสอนมาเรียนนะท่านมันจะสร้างอนุสาส น, านีปฏิหารแต่น่าเสียดายว่าเรามีนวัตกรรมแช่แข็งผลิตหลักสูตรต้นแบบออนดีมาอะไต่างไม่ประสบความสเร็จ ถามว่ามันยังไม่สายเพราะเทคโนโลยีตอนนี้ถูกแสนถูกสมัยก่อนมันแพงถูกแสนถูกแต่ทําไมให้สาขาสี่สิจังหวัดเลี่ยนกันคนละเรื่องสอนกันคนละคนใครแต่งตําราดีทำไมท่านไม่เอาขึ้นไอทีมหาจุฬาอ่านกันไปให้ทั่วสิเพราะมันเป็นงานวิจัยงานของมหาจุฬาเป็นตําราของเราได้ตําแหน่งขอส อ, อสอกันเพียบแต่ผลงานไม่เคยขึ้น ให้คนศึกษาเลยนี่คือตัวอย่างว่ามีนวัตรกรรมแต่ไม่ได้สางต่อในด้าน p r o c e s ข้อสา service innovation นวัตรกรรมด้านการบริการมหาจุฬาได้มีนวัตรกรรมด้านการบริการที่ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นก็คือการส่งพระฤาษ์ไปปฏิบัติศาสนกิจ เราทาอาจจะเรียกว่าแห่งแรกเลยเราส่งนิสิตไปวารสารกิจอยู่ทั่ ว, วหัแเราแห่กก่อนมารับปริญญาเนี่ยมันมีอิมแพกมากนะท่านสังคมไทยเจ้าอาวาสอะไรต่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยรับรองมหาจุฬาหรอกมหาวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังบอกว่าคณะสงฆ์ไม่ค่อยจะยอมรับท่านเราก็เข้าใจ เพราะว่าพระสงฆ์แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยในการแต่พระสงฆ์เรียนน้อยเมื่อเรียนน้อยมันมีผลคือตอนปฏิบัติศาสนกิจมีจํานวนน้อยท่านไปไม่ทั่วถึงแต่ของมหาจุฬาเนี่จบแล้วไปทั่วไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปอยู่ที่ไหนก็มีฝีมือแนวหน้าในการปฏิบัติศาสนกิจเจะเอาวาาพระสังฆาธิการยอมรับหมดกลายเป็นมหาวิเลย ที่คณะสงฆ์ยอมรับเป็นเนื้อเป็นตัวเดียวกันจนบันนี้กับคณะสงฆ์ในมหาจุฬ า, าเนี่ยที่นัง่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นประสังคาธิการด้วยเป็นมสก็มียอมรับหมดในขณะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่งเข้าไปคณะสงฆ์เขาไปได้ถามว่ามันมาจากอะไรมาจากการปฏิบัติศาสนกิจและ ใครจะมาเรียนแบบก็ไม่ได้ต้องมีนิสิตเป็นพระสมยออย่างเรานี่คือบุรพาจ่ายของเราได้ทำไว้ในปี 2022-23 innovation ตรงนั้น management innovation นวัตกรรมด้านกา ร, าการบริหารจัดการเราเริ่มกันใหม่หมดเมื่อเรามีพหลบ 2,540 ความสัมพันธ์ระหว่างมหาจุฬากับวิยาเขตเนี่ยพอดีมันขนาดไห น, นคุมเกินไปมันก็อึดอัดปล่อยเกินไปก็มีปัญหาในเรื่องการกำกับคุณภาพกำกับเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องประมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ ไม่ใช่แฟรนไชส์ในเชิญธุรกิจอย่างเซเว่นเลเวล่นเขาทแต่มันเป็นการบริหารงานการศึกษาที่มีวิทยาเขตนักาขายใหญ่ที่สุดแต่คุมกันอยู่และขณะที่คุมกันอยู่นี่พร้อมกับเติบโตด้วยฟูริฟถีไปอยู่ในหุวยสเสนงอ่ะใหญ่โต นครสวรรค์เชียงใหม่ปัตตนีรวมถึงหวังน้อยท่านต้องคิดว่านี่คือความสำเร็จในการบริหารที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้แต่และฝ่ายเติบโตด้วยไม่ใช่มารอแต่มาหาวิทยาลัยแม่และไปดูสิมันเขาเติบโตเพราะฉะ่านั้น จึงเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่มีการจัดการสื่อสาร น, นอกสถานที่ตั้งมากที่สุดมหาวิทยาลัยอื่นมีการจัดการสึกสาร น, นอกสถานทตั้งโดนสปอไล่ปิดเป็นแถ ว, แถวเหลือไม่กี่แห่งมหาจุฬานในสามสิบแห่งเนี่ยผ่านตอนนี้ผ่านหมดแล้วท่าน เมื่อวานนี้จังหวัดสระบุรีผ่านนะกรายงานมาแล้วแล้วผ่านเกือบร้อยเเกือบสามสิบแห่งนี่เป็นเพียงสองเพราะความจาเป็นของของหน่วยนั้นเองเขาันไม่สามารถจะเพื่อให้วัตรทำงานได้ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารของเรา เราดูแลกันให้เติบโตกันท่วงลยทำได้อย่างไแต่และแห่งก็สามารถที่จะสร้างพัฒนาไปพร้อมๆกับส่วนกลางเพราะฉะนั้นการสร้างที่วังน้อยเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมทั้งรูปแบบเนื้อหาสถาปัตย์และการอยู่กับคณะสงฆ์ เรามักจะคิดว่ามาสร้างมหาจุลาที่วางน้อยเนี่ยคือแยกจากคณะสงฆ์แยกจากวัดมหาธาตุไม่แยกนายกสภาเราก็ยังเป็นอภธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุและเราก็สร้างวัดเห็นไหมสร้างวัดมหาจุลาลงกรมหาจุลาลงกรราชูทิศก็ต้องดำเนินการ ต่างจากไปอาศัยวัดอยู่มีวัดก่อนแล้วสร้างมหาวิไลเราสร้างมหาวิไลแล้วก็สร้างวัดสิ่งเหล่านี้เป็นบริหารจัดการซึ่งทําให้เราเรียนรู้จากการเมื่อส่วนการสร้างวิยาเขตสร้างแม้กระทั่งออกแบบตากาญยังมาดูกันเลยนะขอประชุมก็ไปสร้างข อ, อประชุมที่น้าเที่นี่รูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ต้องเหนื่อยกันมาก เราเรียนรู้จากกันและกันเป็น Lear นรู้ขอ g a n i z a t i o n จึงแบ่งยุคแห่งบูรพภัญญาเป็นสี่ยุคมีนวัตกรรมด้วยกันอย่างไนยุคต้นคือมจลหนึ่งจุดศูนย์ยุคราชวิทยาลัยมจลสองจุดศูนย์มหาวิทยาลัยสองมจลสามจุดศูนมหาวิทยาลัยของเราและมจลสี่จุดศูนมหาวิทยาลัยของโลก าาราชาติเป็นอย่างไรเจะาเราไม้ฟังสันส้นๆมอจลหนึ่งจุดูนลุกยุคหน้าชุวิตจีไรสองัสอยสา3สิบถึงสอง0 60สรอเก้าสิบหกสิบปีนี้ตั้งแต่สถาปนาในปีสอง0ันสี่อสามสิบเปิดเรียนเมื่อสี่รสาสิบสองเปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลุกคอรไไล์ลวิลสองัรยสา3สบานวัตรกรรมอยู่ตรงนี้ท่านตรงที่ พระราชาประดิษฐางราชการที่หสมัยนั้นล้ำสมัยมากให้มหาจุฬาลงกรณราชวิไลเนี่ยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงพระเรียนอะไรกันในสมัยนั้นไม่ได้ไม่ได้พระไตรปิฎกแต่ท่านเรียนอัจฉริตั้งแต่สมัยราชการที่สองอัจฉริธรรมบทพยงสามมังคะทะตีมณีจนวิสุทธิมรรคจนอาภีธรรมยังไม่ถึงพระไตรปิฎกเลย รัชการที่ห้าเนี่ยทรงมีพระวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมมากให้พระเรียนพระไตรปิฎกสี่สบห้าเล่มแล้วจะเรียนจากไหนก่อนนั้นก็เรียนไม่ได้เรียนจากพระไตรปิฎกที่พระองค์พึ่งให้พิมพ์เมื่อปีรัชดาพิเศษของโลกครองราชได้ยี่สิบห้าปีสองพสามสิบหมีพระไตรปิฎกฉบับรัชการที่ห้าออกมาเป็นพระไตรปิฎกนวัตกรรมของโลกไม่ใช่ของประเทศไทย พอจากใบลานมาเป็นหนังสือครั้งแรกในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระไตรปิฎกเป็นเล่มแล้วใครก็เข้าถึงใครก็เรียนได้รละจ า, กการที่ห้าอยากให้มหาจุฬานนาหน้าชาวโลกเรียนพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นเล่มและไม่ใช่อยู่แค่อาจจกถามาประเข้าถึงออริจินอลเลยพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่พระไตรปิฎกเรียน วิชาชั้นสูงศาสตร์สมัยใหม่ด้วยล้ำสมัยเกินจนไม่ได้เปิดหกสิบปนะีถ้าเราทำตอนนั้นนะนะอันนี้คือสิ่งที่เราทิ้งเราหยุดไปนะถ้าเราทำตอนนั้นเราจะเป็นผู้นำอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยนะของโลกพุทธศาสนาด้วยเห็นไหมอะไรที่เป็นนวัตกรรมที่เป็นความคิดล้ำสมัยเกินตามไม่ทัน มหามกุเอาไปธรรมในปีเดียวกันวันที่26ตุลาคม2439เรา13กันยายนสถาปนามหาเจรา26ตุลาราชการที่5สดเดไปที่วัดบวรเปิดมอมอรมหามกุฎราชวิลัยเป็นทางการมหามกุฏมีวัตถุประสงค์ที่สมเด็จพระมหาสรณเจ้ากรมพระ ย, ยาวัดชริยานวโรรสตั้งไว้3ข้อ หนึ่งเพื่อเป็นสถานศึกษาของพระพิสุทธิสมณีนสองเพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติปิภูมิและของต่างประเทศข้อสองนี้บอกเลยว่าวิชาการที่เป็นของไทยและของเทศของทั่วโลกก็คือศาสตร์สมัยใหม่นั่นเองและข้อสามเพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาเช่นวารสาธรรมจักรสุข แต่ของมหามกุฏเกิดประเรียนมหามกุะขึ้นมาแปดปีก็ยุติจบไม่ได้สานต่อใช้เวลาแค่แปดปีเท่านั้นจบเลยจากปีสามหกถึงสี่ถึงสี่สี่โดยประมาณฉะนั้นถึงสี่สองโดยประมาณเพราะฉะนั้นจึง จึงทำให้มหามกุฏก็หยุดมหาจจราก็หยุดจนมาถึง 2,488-2,490 จึงเกิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นมาเป็นยุคสี่สองมจร 2.090-2.7 2,490 ส่วนที่เป็นนวัตรกรรมคือคณะพุทธศาสตร์ ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยสมัยนะั้นคณะอื่นที่เราเปิดตอนหลังเนี่ยมหาวิทยาลัยไหนก็มีในประเทศไทยแต่คณะพุทธศาสตร์มันเป็นของมหาจุฬาและกรตรงตามที่รัชกาลที่5้บอกให้เรียนท่าไตรปิฎกในวิชาชั้นสูงในสมัยยุคนั้นเนี่ยรุ่นอาจารย์จำงงรุ่นท่านเจ้าุณสํเาเร็จปอปยุตโตนยคณะพุทธศาสตร์เป็นเอก ได้เด็กเก่งๆคณะเก่งๆเข้าไปเรียนในคณะพุทธศาสตร์แล้วผลผลิตออกมาเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางสติปัญญาเพราะว่าจัด ก, การคณะพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่พุทธศาสตร์นะศาสตร์สมัยใหม่ก็เก่งเก่งภาษาอังกฤษด้วยเก่งภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากเก่งภาษาอังกฤษตอนนั้นต้องไปเรียนพุทธศาสตร์ ผู้พูดเดไปเรียนพุทธศาสตร์เพราะต้องการเก่งภาษาอังกฤษมันมีแรงจูงใจแต่หลังจากมีไปยุคสามจุดศูนคณะพุทธศาสตร์ตกไปอยู่อันดับท้ายของการสอบเท่ามันคืออะไรสิ่งที่หลายแรงที่มีผลกระทบและเรารักษาไว้ไม่ได้ก็คือ หน่วยเกิจที่ลดจากสองร้อยในกิจที่อนุญาตให้เราเรียนภาษาอังกฤษในร้อยในหกสิบเจ็สิบในเกรดเราเรียนภาษาอังกฤษถูกตัดเหลือรยี่สคนกิดเรียนแต่พระไตรปิดกแต่วิชาชั้นสูงไม่ได้เรียนคณะพุทธศาสตร์จึงเป็นคณะที่ไม่ป๊อปฮิล่าอยากเรียนภาษาอังกฤษต้องไปเรียนคณะมนุษย์อยากรู้เรื่องสังคมไปเรียนคณะสังคมอยากรู้เรื่อง ครูต้องไปคณะคส์คนก็ไปที่อื่นหมดในขณะที่คณะพุทธศาสตร์เนี่ยไม่สามารถครองแชมป์ทำยังไงทั้งพุทธศาสนาก็ปรักยาเราจะรักษาภูมิปัญญาบุรภาพปัญญาในปี2490ได้อย่างไร2500เรามีการจัดทาหลักสูตร จากให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สมัยอาจารย์จมงเปลี่ยนมาเป็นหน่วยกิจทวิภาคอย่างปัจจุบันเริ่ม ต, ต้นในประเทศไทยได้ดรอกโปรเฟสเซอร์ไรเดอร์จากประเทศอาเซียเนี่ยมาช่วยโดยอาจารย์จมงประสานให้หลังจากเรียนจบแล้วมาช่วยสร้างน ว, วัตรกรรมขึ้นในปี2500นั้นมีน ว, วัตรกรรมที่ตรงกับปรรทัดรายการที่5เกิดขึ้นในมหาจุฬาคือ องทุติยายยสภานายกะจรูญสุเ็จพุท ธ, ธาจารย์อาสภาที่ท่านไปสันทนาที่บว่าชัตสันทนาเนี่ยกลับมาให้สันทนาพระจัยปิฎกของมหาจุฬาปี2500เป็นนวัตกรรมท่านให้เทียบกับโรมันให้เทียบกับฉบับเทวนาครียเยบเลยแล้วทำเชิงอ่นานไปด้วยเริ่มแต่ปี2500เป็นพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุลาเตปิตกังภาษาบาลีแต่เราไม่สามารถทำปณิธานขององค์ผู้ริเริ่มนวัตกร น, นั้นได้ให้สำเร็จใช้เวลา35 35ปีครับจึงได้สมโพธิพระไตรปิดกฉบับบาลีของเรา 2,535 และหลังจากพิมพ์สมโพธไปแล้วจนบัด น, นี้ยังไม่เคยรีปรินเลย ยี่สิบห้าปีเก่าเก็บมีใครอ้างอิงบ้างนี่คือนวัตรกรรมที่เราเสียโอกาสเพราะใช้เวลาทำนานเกินไปจนเกิดพระไตรปิฎกฉบับหลวงสองสามสิบคนอื่นแซงหน้าไปหมดเลยสองพันห้าร้ยเ็ดเกิดโรงเรียนพุทธนาวทิตย์เป็นนวัตรกรรม อาจารย์พออาจารย์จำนงสอนเยาวชนดังระเบิดเจ้าคุณประยุทธ์ปอมมหาประยุทธ์เขียนตำราโรงเรียนพุทธธรรมาภาพภาษาอังกฤษทำให้เด็กอยากมาเรียนวิชาพุทธศาสนาภาพภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องเท่เรื่องดีผ่านมาเกือบ6กสิบปีเดี๋ยวนี้โรงเรียนพุนนทธธรรมทิ์เป็นยังไงใครอยากมาเรียนบ้าง เรารักษานวัตกรรมตรงนั้นไม่ได้แค่ไหนเราปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษของท่านพระมหาประยุทธ์บ้างหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราทิ้งไปเฉยๆ เ, เราเอาไอทีเอาอะไรต่างมาช่วยในการสอนให้มันน่าสนใจไหมไม่เคยจํานวนก็ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่เรารักษาไว้ไม่ได้แต่ว่าเป็นนวัตกรรมสมัยนั้น คณะเอเชียอาคเนย์ A A, ได้พูดไปแล้ว2 0 6ถ้าบัดนี้เรายังมีคณะเอเชียอาคเนย์ A, เราก็ไม่ต้องตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและเราจะนำหน้าในเรื่องอาเซียนนี่คือโอกาสที่สูญเสีย lost opportunity ของมาจุฬามีนวัตรกรรมแต่ไม่ทำ2512เป็นนวัตรกรรมด้านการบริหารเมื่อรัฐบาลไม่รับรอง บุรพ aja ของเราให้มหาเถรสมาคมรับรองมหาเจราจึงเป็นเนื้อเดียวกันกับคณะสงฆ์มาจนปัจจบันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์และเราก็ภาคภูมิใจแม้เราจะมีพรบรในปีสี่สุดมหาเถรก็ไม่ได้ยกเลิกเราเราก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นเนื้อเดียวกันกับคณะสงฆ์มาจากแนวคิดในปีสองหสิบสอ 2,521 เราตั้งวิยาเขตแห่งแรกคือหนองคายแม้จะล้มลุกคลุกคลานแต่หลังปี 2,530 วิยาเขตเกิดขึ้น10แห่งแต่ต้องถือว่าเราเริ่มในปี 2,521 ประมาณปี 2,522 เรามีระเบียบครั้งแรกนิสิตรุ่นนั้นห้ามรับปริญญาทันทีต้องออกไปเป็นบัษษณฑนากจทั่วรประเทศนี่คือนวัตกรรมในการบริกา ร, ากา ร, ร, การผู้บริหารสมัยนั้นได้ ได้ออกระเบียบอย่างก้าหารหนึ่งในนั้นก็คือจันมหานพรพระราชดนัมโมรีอาจารย์เจามหานรงของเราพระราชประราจารย์ท่านทำแล้วก็เกิดการาไปบวชเยาวชนผ้ารุร้อนทำให้มหาวิทยาลัยปัจจุบันนั้นได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมสอกอมาประเมินทีไรเราได้หคะแนนเต็มทุกครั้งถ้าเราไม่มีตรงนี้สิ จิตวิญญาณของการบริการความเป็นมจลความเสียสละจิตอาสามันไม่มีที่ฝึกันี่ก็ต้องรักษาเอาไว้เสียอย่างเดียวว่าเราไม่ได้ไปเอาอาจารย์ไปกำกับเวลาปฏิบัติศรษฐกิจอะทำโปรเจกต์โครงการและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้มันมีเบบี้ให้มีงานวิจัยน้อยๆออกมา 2,522 ปฏิบัติยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอย่างนั้น มันไม่มีการก้าวหน้า 2,522 ในปีเดียวกันถ้าจำไม่ผิดเกิดสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่มามาทำงานวิจัยเราในปัจจุบันเนี่ยเริ่มในปีนั้นแ ล, แ, ลและและตรงนี้เป็นหน่วยงานที่เราเห็นว่ามีการพัฒนายันต่อเนื่องทำให้งานวิจัยสถาบันวิจัยที่เคยได้งบจาก รัฐบาลเนี่ยประมาณส2บสองล้านเมื่อห้าปีที่แล้วปีนี้เราได้ถึงเกือบห้าสิบล้านงานมันโตในในยุคเดียวกันเราได้ใกล้ใกล้กันถึงร้ี่มีสิ่งสำคัญเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีนายกทุติยนายกสภานะ่ทุติยสภานายกนะ่ท่านมานั่งคุม ท่านเอาสถาบันวิปัสนากรรมฐานของท่านเนี่ยให้มาเป็นส่วนงานของมหาจุฬาฝากไว้กับมหาจุฬาตอนนั้นเรารับไว้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่วันนี้สถาบันวิปัสนาธุรักษ์เป็นหน้าเป็นตาของมหาจุฬาในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาจิตใจและสังคมเราสามารถคุยได้ทั่วโลกว่ามหาจุฬามีเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นตรงที่ปฏิบัติกรรมฐาน ปริยาตรีอย่างน้อยต้องไปนั่งปีลสิบวันไปรยาโทหนึ่งเดือนปริยาเอกสีสหวันถ้าจะเรียนวิปัสนาสุรภริยาโทเจเดือนนั่งกรรมฐานไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนในโลกทำเริ่มมาจากจุดที่เราไปรับสถาบันวิปัสนาสรุรภราและปัจจุบันสถาบันบัณฑิวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิด ช, ชอบในเรื่องนี้อย่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นร่ําเป็นสันบุรพาจารย์เราทําไว้เกือบสี่สิปีแล้วถ้าท่านไม่ทาไว้นี่ เราจะอะไรมาเป็นแมคชีนิกมาตัวขับเคลื่อนการพัฒนาจิตใจครับวิปัสนาจารย์ของเราเดนี้ไปทั่วหมดผลไม่ประหาจุลศเราต้องขอบคุณท่านผู้มีวิสัยทัศน์เหล่านั้นปีสองพันห้าร้ยสาสิบสองตั้งรงพิมพ์เดี๋ยวไปพูดตอนต่อไปก็คือช่วงยกสามจุดสูง ยุค 3.0 มหาวิทยลาลัยเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วง227เมื่อมีพรรอรับรองปริญญาตรีของเราทำให้เราเกิด ว, วิทยาเขต10แห่งทำให้เราตั้งโรงพิมพ์ได้ในปี2432โรงพิมพ์นั้นเป็นความฝันของมหาจุฬาไม่ใช่พิมพ์เฉพาะตำรามหาจุฬานะ แม้แต่ตำราการศึกษาของคณะสมมหานิกายเราก็จะพิมพ์ซึ่งเลยยังไปไม่ถึง university place ต้องเป็นหน้าเป็นตาก็เห็นใจนะมันไม่มีที่มีทางตอนนี้ได้กำลังสร้างใช่ไหมนั่นแหละยุคติดพยักติดปีกนะต่อไปนี่เจริญเนอะเออเจริญกว่านี้ส่วนที่รับรองปริญญา แต่ยังไม่รับรองมหาวิทยาลัยสถานภาพเนี่ยมันปี27มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้การรับรองในเชิงสถานภาพในปี40คือเหตุเกิดในปี2535ปีนั้นเนี่ยได้มีการทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก่อนแล้ววิลยัยระยะ5ปีเป็นครั้งแรกเป็นนวัตกรรม เอาทุกวิเอเขตมาร่วมทำแผนมาเขียนโครงการนโยบายมาตราการโครงการกิจกรรมของงบประมาณปรากฏอบแลงบประมาณที่ทั่วประเทศขอมาตอนนั้นประมาณสี่ร้อยล้านแต่เราได้จากรัฐบาลเพียงไม่นิดเดียวสิบสองล้านเกิดคำถาม ถ้าเราจะได้เงประมาณมากอย่างนี้ทำยังไงเขาบอกท่านต้องขอตรงต่อให้ท่านทำแผนห้าปีแต่ถ้าไปขอผ่านกรมการศาสนาในสมัยนั้นกรมศาสนาเขามียอดของเขาเขาก็ตัดของท่านอยู่ดีเลยท่านไม่มีทางที่จะได้เงประมาณตรงเอามาพัฒนาแล้วอยากได้ตรงทนยังไงต้องมีต้องเป็นนิติบุคคล มีสถานะเท่ากลมเหมือนกรมการศาสนาแล้วท่านจะสามารถตั้งงบประมาณกลมไปถึงสนธิบประมาณได้นั่นคือเป็นที่มาของการหาไอ ห, หาสถานภาพให้เป็นกรมเพื่อตั้งงบประมาณโดยตรงกับสนธิบประมาณตั้งแต่ปีสามห้าเราทําเรื่องนี้เรื่องเดียวจนสําเร็จในห้าปีต่อมาสองพันห้า้อสี่สิบเหตุเกิดมาจากทาแผน ของงบประมาณ400ล้านได้มา10กว่าล้านทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเจ็บปวดหัวใจแล้วให้ผมทำแผนทำไมตอนนั้นเป็นรองแผนรู้ ด, ดีก็เพราะเราไม่มีสถานะภาศตามกฎหมายมันจึงเป็นที่มาของพรบมหาจุฬา 2,540 2,537 บทเรียนจากการสมโพธิพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเตรียมการฉบับบาลีเนี่ย เราตกยุคไปหมดเลยคนอื่นเราไปกินหมด2อ3 7หมเกิดนวัตรกรรมบทำอีกรอบนึงในเรื่องพระไตไปโดกไหนๆราชการที่ห้ารเราเรียนพระไตรปดกเราจะแปลพระไตรปิฎกแบบใหม่ไม่ใช่แปลสำนวนเทศนาแบบฉบับสยามรัฐไม่ใช่แปลแบบคนแบบวิชาการจ่าแบบฉบับหลวม เราจะแปลพระไตปรปิดกฉบับประชาชนมวลชนให้คนเข้าถึงเข้าใจง่ายเสนอโปรเจกต์เสนอโครงการสมเด็จพระเทพพระ ร, ราชาสุดาสยามบร ม, ร, มราชกุ ม, มารีทรงเป็นประธานส่งทวงว่าอย่าแปลง่ายเกินไปจนเสียความถูกต้องตอนแรกเราอยากจะแปลแบบง่ายสรุปด้วยพอสมเด็จพระเทพผู้เป็นองประธานทวงตอนนั้นไปรองวิชาการ คิดนะว่าจะรมใหม่ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแปลไม่ผิดเพี้ยนด้วยให้คนเข้าใจง่ายด้วยใช้ภาษาราชการที่ก้าวด้วยทำยังไงท่านจึงเกิดการแปลฉบับมหาจุลามหาปัจจุบันก็คือหนึ่งเพื่อให้คนเข้าใจง่ายง่ายเราต้องมีบทนำทุกเล่มก่อนอ่านนี่อ่านบทนาแล้วก่อนสอง ในการแปลนั้นแม้จะมีศัพท์ภาษาบาลีไว้ต้องมีวงเล็บเมตตาแปลว่าอะไรสามต้องทำเชิงหักโดยอ้างอัตฉราดีกาอนุดีกามันก็เลยกลายเป็นกึ่งวิชาการแต่ใช้ภาษาร่วมสมัยเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่พิมพ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยไม่เคยหยุดเลยจนบัดนี้เนี่ย เทที่เราพิมพ์เพราะเขาเรียกว่าจำน่ายเป็น h o ฟเค้กเลยอีกห้าสิบปีข้างหน้าก็ยังมีมีฉ บ, บับไหนมาสู้นี่คือฉ บ, บับที่เราทำเสร็จไม่ใช่สามสิบห้าปีเหมือนฉะสาบรีแล้วสามเปลี่ยนปีสามเจ็ดเราเริ่มปีสี่สองเราฉลองเรียบร้อยและปัจจุบันนี้ อัธกถาดีกาฉบับล้านนาเราพอทำแล้วภาษาบาลีกําลังเริ่มเนี่ยจุดเนี้ยปีเจ็ดสิปีเราจะเริ่มแปลอัธกถาดีกาที่เราเริ่มมาแล้วเราทําแล้วทําภาษาบาลีแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะแปลให้ใหมันง่ายเข้าใจง่ายและเชื่อมกับพระไตรปิฎกฉบับที่เราแปลเป็นภาษาไทยถามว่าการแปลอัธกถาดีกาเนี่ยทาให้มันมีริษมีเดชเป็นนวัตกรรมเหมือน ถ้าใจมีดกภาษาเออมันฉบับมหาจุฬาที่เราแปลได้อย่างได้ไหมให้มันขายดีเป็นฮอตเคก์ทาได้อย่างไรท้าทายรุ่นเรามาปีสามแปดเราอบรมก็ธรรมทูตไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้ศิษย์เก่ามหาจุฬาอยู่ทั่วที่จบพศวันนี้ก็มารับเป็นพระธรรมทูตทั่วโลกผ่านมหาจุฬาใครจะเรียนจบมหาจุฬาหรือไม่แต่จะเป็นธรรมทูตต่างประเทศต้องมาเรียนกับเรา ตั้งแต่ปีสามปดปีสี่ศูนย์เรามีพร บ, บรมาจรอปีสี่สองเราเริ่มเริ่มสร้างที่วังน้อยเป็นนวัตรกรรมอย่างไรเป็นมหาวิลลยแต่มีลักษณะเป็นวัดมีหน้าบันเหมือนพุทธรูปรัฐ บ, บาลบอกจะให้งบแค่นี้ขั้นตั้งสร้างเปกนองไม้กีดเราไม่ยอมเพราะฉะนั้นงบประมาณเราจึงหาเองด้วยการบริจาค จึงสร้างใหญ่โตยอย่างนี้ได้เป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้นพึ่งรัฐบาลไม่ได้ด้วยกอนทั้งหมดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งต้องหายเองมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นเก็บค่าหน่วยกิตหรือมีห้างสรรพสินค้ามหาจุฬาเก็บค่าหน่วกิจได้ไหมแต่เราก็ยังจะพยายามเก็บให้แพงอยู่ไม่จาเป็นเลยท่าน เราสร้างมามหาจุฬามาเป็นพันพันล้านเนี่ยเลยเราไม่ได้ได้มาจากรัฐบาลทั้งหมดห้าิบเปรซาได้ตอนหลังได้ตอนเป็นวิทยาลัยนานานชาตินอกนั้นเราบริจาค ก, กันเองในเมื่อเราสามารถมีความเป็นนวัตกรรมของเราคือมีทุนทางสังคมคท่านคนศรัทธาอยู่แล้วท่านจะเอาอะไรล่ะจะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์กี่เครื่องฉันเพนทุกวันนี้นี่เราเลี้ยง ก, กันมาปีลราเป็นล้านล้านบาทอ่ะ เป็นสิบล้านกีป่ปีแล้วยังจะไปคิดเล็กคิดน้อยเก็บค่าโอยเก็บหนต่างประเทศเก็บน่นเก็บนี่ท่านไม่เข้าใจนะวัตกรรมมหาจุฬาสร้างมาขนาดนี้ได้เนี่ยและทำไมท่านไม่ทำต่อทุนทางสังคมจะต้องให้อธิการบดีไปออกหน้าเรื่องอะไรตลอดหรือเกี่ยเรื่องจิบจ้อยแค่นี้ ในเมื่อสร้างเป็นธนารักษเราก็ขอบริจาคมาได้ท่านมาดูนะวัตกรรมของเราทั้งนิยาเขตทั้งสว่วนต่างเราไม่ได้พึ่งห้างสรรพสินค้าเหมือนจุฬาแต่องค์ทุธิยาสถานายกท่านบอกว่าเราสร้างด้วยนัดผี่ปัจจัยไม่มีเงินก็จริงแต่เงินมาอยู่ในกระเป๋าของชาวบ้านเพราะฉะนั้นองค์ุติยสภานายกก็บอกว่าเงินมีแต่คนใช้เงินไม่มี มันมีที่ไหนหลวพ่ออยู่ในกระเป๋ายอมไปเอามานี่คือสิ่งที่เราไม่เหมือนมหาวิทยาลัยทั้งหลายเดี๋ยวเอาแถวนี้เลยเนี่ย <c oughs> เราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพรบทีหลังจกขึ้นมาในระดับประเทศในระดับประเทศมันก็จะต้องไต่อันดับไปมีราชพัฒ์ไปแย่งกับราชพัฒน์ไปแย่งที่กับมหาวิทยาลัย ต่างๆแย่งนิสิตเขาแล้วเมื่อไรเราจะได้เกิดเราอยู่ในวัดมหาธาตุมานานเกินพอจะมาเป็นมหาวิเลยมันก็กลายเป็นน้องใหม่ใครรู้จักแต่เรามีวิธีซิกแซกเราใช้แบบเดียวกับพระพุท ธ, ธเจ้าไปดังในแควนมาพคตก่อนแล้วค่อยกลับมาดังที่บ้านในบ้านมันรับรองลงง่ายเสมอไรท่าน มหาวิยาลัยทั้งหลายที่เขาเกิดมาก่อนเนี่ยเขารับรองมหาจุาลาเราอยู่หังแถวถ้าไปดูสถิติ ต, ตอนนั้นเขารู้จักมหาจุาลาตอนไหนศิลเก่าเรายังไม่กล้าประกาศเลยว่าจบมจลสมัยนู้นแต่เราไซคโคงให้ทั่วโลกรับรองเราอนแล้วในประเทศมันจะรับรองเราเองนี่คือนโยบายทําไมเราจึงบอกว่าไปมหาวิยาลัยของโลก ทำตรงนี้เพื่อให้ในประเทศก็พยยลอยรับรองเราเพราะมันยากเย็นที่จะแสงขึ้นในประเทศดังนั้นในปีสองสีิสามเงินก็ไม่มีปืนปืนรับจ้างเราจัดบุริษมิสองพัน้า้อยสี่สิบเจ็ดเงินไม่มีเลยสักบาทเดียวกรมสํานักพุทธจัดวิสาขาโลกแต่มีแต่มาสวดมนต์นิมนต์สังคัลราชบามาสวดมนต์ มหาจุลาและมาถามมหาจุลาช่วยจัดประชุมวิชาการให้หน่อยได้ไหมถามสำนักพุทธตอนนั้นว่าคุณมีเงินเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทนิ่หมดมาได้สิบประเทศแต่ตอนนี้เป็นค่าโรงแรมอลไรหมดแล้วเหลือให้มหาจุลาไปจัดวิชาการที่พุทธมณฑลหกหมืน 6, บาทเอานิสิทไปให้เต็มขึ้นรถบัดไปเอาไหมอธิการบดีบอกเอาเพราะมันไม่มีช่องทางจะขึ้นนานาชาติตกล ง, งเราลงทุนไปหลายแสนแต่หกหมืนบาทที่เขาให้เรานั้นคุ้มสุดคุ้ม เป็นเหตุให้มหาเจร า, าตั้งแต่นั้นมาได้รับความไว้วางใจจากมหาเทรสมาคมจากรัฐบาลเป็นผู้จัดวิสาขาบูชาโลกและรู้จักไปทั่วโลกจนบัดนี้จากเงินหกหมืนบาทนะท่นะะตะตานนวัตกรรมหรือเปล่าสุดท้ายเรามายุคปัจจุบันยุคที่เรามาอยู่ตรงนี้สองพห้าสิบ วิสัยทัศน์และปรัชญายของมหาจุฬาปัจจุบันเราปรับจากที่รัชกาลที่5บอกว่าเป็นสถานศึกษาพระใจเป็นรงเรีชั้นสนู ง, สงให้มหาจุฬาเป็นศูนย์การศึกษาศาสานานานาชาตินี่คือวิสัยทัศน์เขียนไปในแผน5ปีปี5สเราขึ้นระดับโลกเลยจากปี47นี่ในประเทศจะรับรองเราหรืรองเราขึ้นระดับโลกแผน5ปีเราประกดวิสัยทัศน์คือเป็นศูนย์การศึกษาศาสนานานาชาติและปรัชญายมหาจุฬาคือ จัดการศึกษาศาสนาพุน า, พนาการก้สาสู่สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมเป็นยุคมหาวิเลยนานาชาติเราทำอะไรบ้างในยุค 4.0 ตั้งแต่2540 0 ม, มาเอาปี51หน่อยก็แล้วกันย้ายมาอยู่หวังน้อยสร้างหอสมุดไอทีเนี่ยเพื่อที่จะเป็นศูนย์การคอมาิทั่วโลกทั่วประเทศแต่ยังไม่บรรลุถุประรสงค์ เราไม่ได้ชื่อห้องสมุดอย่างเดียวเป็นศูนย์เป็นสำนักขอสมุดและสาระสนเทศเราต้องการเน้นไอทีแต่กลายเป็นห้องสมุดแดนสุนทยาไอทียังไม่เข้าไปเลยเห็นไหมปี50เราจัดวิสาขาบูชาโลกตั้งไอซ v ดีวเอนเตอร์าสภาสมุวิสาขาบูชาโลกตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทณนานนาชาติ ให้มหาวิทยาลัยพุทธาชาติทั่วโลกมายอมรับเราสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่อธิการบดีเป็นประธานทั้งสองงานขึ้นระดับโลกเลยท่านให้ชาวโลกรับรองแล้วประเทศเขาจะมองเราเองนี่คือนวตักตกรรมในการบริหารปีหนึงหนึ่งถึง16สร้างวิทยาลัยพุทธศาสตนาชาติอย่างที่เห็นเนี่ยใช้เงินอีก3พันล้าน ติดต่อสนักงประมาณเขาบอกท่านหาที่มาดิแล้วเราจะให้งบประมาณเราก็เลยเลี่ยไรกันซื้อที่ตรงนั้นเนี่ยแปสิบไร่หนึ่งรอยล้านท่านรัฐบาลไม่ให้บริจาค ก, กันเป็นหนี้เป็นศินดินพ่อหางหมูประปัจจุบนันแต่เราได้เงินหลายพันล้านมาสร้างจนทุกวันนี้ทั้งหอพักทั้งอะไรต่างๆนี่คือนวัตกรรมเรามีไอเดียว่าเราจะต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้มันจึงมีตรงนี้ขึ้นมา ถ้าเรายังคิดเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศงบที่ไหนมันก็ไม่มากครับปีห้าห้าห้าหกเราจะเป็นนานาชาติเราต้องมีสถาบันภาษาเราไปตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่เท่าคณะเป็นวิทยาลัยพัฒนานานาชาติศูนย์อาเซียนศึกษาวิทยาลัยผสมชสตนเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่จะบอกว่าคืออินเตอร์นับจากนี้ไปนะตอนนี้ยังยังอะไรกลำลํามวยอยู่ยังไม่ได้ชกเลย หมดไปห้าปีแล้วปีห้าหก ICDV ความฝันของเราที่จะขึ้นระดับโลกเป็นจริงสภาสากาวิสาขบูชาโลกได้รับการรับรองจากสหประชาชาติให้เป็นองค์การที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติอาธิการบดีสามารถเดินเข้าประชุมย n เ็นเมื่อไรก็ได้มีบัตร นี่มีบัตรไปทำบทัตรบัตรเข้าและมีผู้แทน5้าลูกได้ประชุมได้ห้าคนได้ทั้งปีตอนนี้ไปตั้งท่านถนัดนะทัานจคุณที่ดีซให้เป็นผู้แทนมหาจุฬาไอซีดีวีเข้าไประชุมตอนนี้กําลังประชุมนักการเมืองระดับสูงที่ UN อยู่ส่งมาแล้วให้ท่านถนัดท่านจะคุณถนัดเข้าไปท่านดอนรัมัตโตวินัยประกาศจะเข้าไปประชุมด้วยมหาจุฬาไปประชุมด้วยกันไม่อยากจะบอก แต่บัตรเลขาธิการบูรียุ่งทางนี้ไม่ได้ไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบสองท่นงานตั้งแตประชุมเนี่ยแต่ว่ามัาในภาษาก็เลยให้ทางท่านเจ้าคุณที่ดีสเข้าประชุมเขาก็รายงานมาเลยว่าท่านดอนนี่ก็ต้องไปทั่วโลกรัฐมนตรีทั้งหลายไปหมดแล้วมหาจรฬาก็ไปเดินประชุมอยู่นึงพวกเราจะไปเที่ยวนะเข้าไปยังไม่ได้เลยท่านต้องมีคนรับรองเลยมหาจุฬามีบัตรแขนคอใช้ได้หนึ่งปีเดินเข้าออกสบายเลยท่าน ไปไประชุมห้องไหนก็นแหละปีหกศนเราพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลท่านทราบไหมว่าพระไตรปิฎกฉบับสากลที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาจุฬาอธิการบดีมหาจุฬาเป็นประธานบรรณาธิการเนี่ยมันจะไปอยู่ในโรงแรมทั่วโลกพวกท่านอาจจะนึกไม่ถึงมาเป็นมนาพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษนะแปลจากพระไตรปิฎกของเถรวาทมหายาณวัชร ย, ยาน เล่มกาลังหน้าหน้าอ่านเลยพิมพ์เสร็จแล้วหนึ่งหมื่นเล่มได้ถวายประมุขสงฆ์ประธานดีศีรังกาและร้ดืดไปแล้วมอบประธานดีศีรังกาไปแล้ววันนี้มีหนังสือจากประเทศต่างๆขอแปลขออนุญาตมหาจุฬาแปลเป็นภาษาของเขาเพื่อไปวางในโรงแรมแล้วไม่ต้องไปพิมพ์แล้วเขาจะแปลแล้วก็วางเองแด้จากภาษาอังกฤษนี่ เพราะมันมีพระใตรบกเทววามหาญาณวชิรยานอยู่ในนั้นอยู่ในเรื่องเดียวกันวันนี้ที่ได้หนังสือขอแปลมานะจากฮังการีอินโดนีเซียจีนเวียดนามสเปนไทยและก็อารบิกอารบินี่ขนาดยังไม่กี่เรือนเนี่ยขอแปลกันทั่วโลกแนหะเป็นพระใจรปดกหรือผลงานมหาจุลาฉบับเดียวที่ยังไม่ทันไรเลยขอแปลกันทั่วหมด และมันจะไม่อินเตอร์เลยอีเนี่ยพระเดชพระคุณไปอ่านนะครัจากภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะตกรุ่นนะไม่รู้มันคืออะไรเขาแปลกันทั่วโลกแล้วมหาจุฬากําลังแปลเป็นภาษาไทยนะให้รองวิชาการเป็นเป็นแม่งานแต่อธิการบดีต้องเป็นประธานบรรณาธิการในฉบับภาษาไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นประธานบรรณาธิการฉบับภาษาอังกฤษเหมือนที่เป็นประธานบรรณาธิการพระเจ้าปดกฉบับมหาจุฬาที่ผ่านมาก็ขอพูดไปพูดมานะบุรพ้าปัญญามันเยอะยาวนะครับก็ขอ ฝากไว้แค่นี้ในยุคต่อไปถ้าจะทําอะไรให้มหาจุฬามันจเจริญยิ่งขึ้นอย่าไปทิ้งมูลภาพปัญญาที่เราสะสมมาในปัจจุบันให้มันเป็นนวัตกรรมก็ขอฝากไว้แต่เบรกเท่านี้ครับขออนุโมทนาสิทธิเก่าทุกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมารับให้กําลังใจพวกเราอนุโมทนาผู้ที่รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาอนุโมทนาฝ่ายที่จัดงาน โดยเฉพาะสมาคมสิธิ์เก่าและในฝ่ายบริหารที่ได้จัดงานจัดการความรู้ครั้งนี้ขึ้นซึ่งจะเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมหาจุลาไปอีกนานทำให้วันบูรพาจารย์ของเรานั้นมีความงดงามขอบุญบุญสมทั้งปวงที่เราได้ําเพลินในนี้จงสำเร็จเป็นอิทธิวิบากสุขสมบัติทิพยสมบัติแก่บูรพาจารย์ผู้ร่วงรับไปทั้งปวง ขอว่าทุกท่านจงมีส่วนในบุญกุศล น, นี้มีความเจริญงอกงามไพบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในพระบรพุทธศาสนาทุกท่านทุกรูปทุกคนเทิน